10. ทุติยมรณสติสูตรว่าด้วยการเจริญมรณสติสูตรที่สองยสิสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะคิชกาวัถารามในนานทิกคามณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย มรณะสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดมรณะสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อกลางวันผ่านไป กลางคืนย่างเข้ามาพิจารณาเห็นดังนี้ว่าปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากแท้คืองูพึงกัดเราได้แมงป่องพึงต่อยเราก็ได้หรือตะขาบพึงกัดเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงตายเราพึงมีอันตรายนั้นเราพึงพลาดหกล้มก็ได้ พัทหาที่เราฉันแล้วไม่พึงย่อยก็ได้ดีของเราพึงกำเริบก็ได้เสมหะของเราพึงกำเริบก็ได้หรือลมพิษดังศาสตราของเราพึงกำเริบก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงตายเราพึงมีอันตรายนั้นพิกษุทั้งหลายพิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่า บาปอากุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้ตายในเวลากลางคืนมีอยู่หรือไม่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้บาปอากุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้ตายในเวลากลางคืนยังมีอยู่ภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายาม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 เพื่อละบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะถูกไฟไหม้ควรทำความพอใจความพยายามความอุสาหะความขมักขะม่นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไหม้ผ้าหรือไฟที่ไหม้ศีรษะนั้น ถ้าภิกษุพิจารณารู้อยู่อย่างนี้ว่าบาปอากุศลธรรมที่เรายัางละไม่ได้ซึ่งจะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายในเวลากลางคืนไม่มีภิกษุนั้นพึงเป็นผู้มีปีติและปราโมทนั้นแลตามสำเนียกในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่เถิดภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อกลางคืนผ่านไปกลางวันย่างเข้ามาพิจารณาเห็นดังนี้ว่าปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากแท้คืองูพึงกัดเราก็ได้แมงป่องพึงต่อยเราก็ได้หรือตะขาบพึงกัดเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงตายเราพึงมีอันตรายนั้นเราพึงพลาดหกล้มก็ได้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 ผู้จะตายในเวลากลางวันมีอยู่หรือไม่ถ้าภิกษุพิจารณารู้อยู่อย่างนี้บาปอากุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายในเวลากลางวันยังมีอยู่ภิกษุนั้นควรทําความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขมน่นความไม่ท้อถอยสติสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่ง เพื่อละบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นภิกษุนั้นควรทําความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขะม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้ที่มีผ้าถูกไฟไหม้หรือมีศรีรษะถูกไฟไหม้ พึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม่นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไหม้ผ้าหรือไฟที่ไหม้ศีรษะนั้นภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุพิจารณารู้อยู่อย่างนี้ว่าบาปอากุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายในเวลากลางวันไม่มี ภิกษุนั้นพึงเป็นผู้มีปีติและปราโมทนั้นแลตามสำเนีจในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่เถิดภิกษุทั้งหลายมรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแลวย่อมมีผลมากมีอนิสงมากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเป็นอย่างนี้แลทุติยมรณะสติสูตรที่สิ จบ